ต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมะโดยท่านพระอาจารย์ปีดาฉันทะกระโรณวัดป่าดานวิเวกดงสีชมพูแสดงเมื่อวันที่16กันยายนพศ2534อันหลักที่ท่านตรัดไว้แล้วมาพูดให้พวกเราได้ฟัง การฆ่าสัตว์นั่นมีกายกรรมสามการลักทรัพย์หนึ่งสองการประพฤติผิดในกรรมสามหนึ่งกายกรรมสามนี่เห็นไหมซิกรรมเกิดจากที่นี่แปลว่าการกระทำสาเหตุเกิดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เกิดจากการประพฤติประพฤติผิดนอกกรรมโทษเกิดจากที่นี่ที่หนวกายกรรมสามฟังดูซิกายกรรมสารรม 3. อยู่ที่ไหน อ, อยู่โลกไหนอยู่บนฟ้าบนสวรรค์ที่ไหนไม่ใช่เกิดจากมนุษย์ซึ่งเวลานี้ทํากันอยู่ในประสมัยปัจจุบันนี้เกิดจากกรรมสามนี่นี่ท่างผู้การฆ่าสัตว์ก็มนุษย์เป็นคนทําซึ่งท่านท่นเราเราก็ทํากันอยู่การลักทรัพย์ก็กันมีอยู่การตัวพิผิ ด, ผดนอกกรรมนี้เป็นเรื่องใหญ่เต็มโลกไปหมดสมัยปัจจุบันนี้แทบจะแก้ไม่ไหวนักเมื่อสิ่งเล่านี้ทําขึ้นแล้วมันดีไหม พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่ดีเมื่อไม่ดีมันก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายเศร้าหมองมีแต่เรื่องมีแต่ราวยุ่งกันไปหมดนักท่านตรัสไว้ที่ไหนศา ส, สนาก็ลงจุดที่นี่คือตัวแต่พวกเราแต่ละท่านแต่ละคนนี้เองทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายรวมกันได้หมดทำกันได้ทั้งหมดและแต่จะทำมากน้อยต่างกันวจีกับําสิ่งดูสิฟังเลยท่านพูดไ้ตามแบบ หนึ่งพูดเท็จสองพูดซอเสียสามพูดคำหยาบขายสี่พูดเพ้อเจอ้อซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรใครเราไม่พูดมันก็พูดกันอยู่นี่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพ้อ เ, พอเจอ้อพูดไปโดยไม่มีสติเป็นผู้ควบคุมโดยไม่มีคุณงามความดีคือกุศลเป็นเครื่องหนุนหลังนีแต่กิเลสเป็นเครื่องหนุนหลังมันก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องของมัน เราพากันฟังให้ดีนะท่านพูดถึง ก, รรออกุศลกรรมบทสิทหรืออกุศลกรรมบทสิทอันนี้พูดถึงเรื่องอกุศลกรรมบทสิทธมันอยู่ที่ไหนเรารักษาศีลรักษาที่ตรงไหนก็รักษาตรงนี้อ่ะนั่นพูดถึงสี่พูดปลดใครเป็นคนพูดนะพูดส่อเสียดใครเป็นคนพูดนะพูดคําหยาบโจน ใครเป็นคนพูดพูดเพ้อเจอ้อซึ่งไม่มีสาระประโยชน์อะไร ใ, รใครเป็นคนพูดแล้วศาสนาท่านจุดโมองลงที่จุดไหนนอกจากมนุษย์เหล่ทาทั้งนั้นทั้งนั้นเลยแล้วทําไมไม่คิดไม่อ่านพูดแล้วก็คอยคิดให้อ่านสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าสั่งสอนด้วยความเป็นดูสงสารสอนด้วยความเต็มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและอยากจะให้ลื่อฟื้นออกสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีมันเป็นอกุศลทันวะ ใครทำคนนั้นก็ได้รับเศร้ามองดีไม่ดีก็ขาดความเป็นมนุษย์หมายถึงว่าขาดความนับหน้าถือตาจากเพื่อนร่วมโลกชึ่นเป็นมนุษย์ที่ดีงามถือคนผู้ดีเขาเกลียดเขาลังเกียจเขาไม่ชอบคนพูดโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นมีเล่มีคนมีวิยาสาไถ่มีคนผู้ดีเขาไม่ชอบนี่วจีกรรมสนะี่นะสิมโนกรรมสามหมายถึงอะไรนั่นสิพยาบาทเขา คิดอยากได้ของเขาน่ะฟังดูสิมีไหมพวกเรามีไหมนี่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยสรุปแล้วนี่มโนกรรมสามรวมทั้งหมดเป็นสิบมโนกรรมทั้งนี้ใครเป็นคนทำขึ้นก็พวกเรานี้เองเป็นคนทำขึ้นเป็นคนคิดขึ้นแต่ไม่มองไม่ได้คิดไม่ได้สะดุดใจเพราะไม่ได้โอปะนาญโกน้อมทำของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นส่วนกุศลมาหล่อเลี้ยงหัวใจ แม้จะรักษาศีนก็รักษาไปถ้ากิจยังไม่เป็นธรรมขึ้นมาแล้วมันมองไม่เห็นมันมืดหมดท่านว่าอย่างนี้งั้นศีนจึงไม่ให้ผลตามที่ท่านให้ไว้ในท้ายศีนว่าสีเลนะสุกรติงเยนติสีเลนโภกัสัมปทาศีลพร้อมอยู่แล้วที่จะให้ความสุขความสั่มหังพูดที่รักษาในสมบูรณ์เต็มที่และพร้อมอยู่เสมอที่จะซักบุคคลคนนั้นไปให้ถึงจุดหมายปลายทางตามกําลังอำนาจแห่งศีนที่รักษาขั้นยากขั้นกลางขั้ น, น, นละเอียด ไม่มีธรรมนี้เป็นสันติโกผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ภายในตัวเองถ้าคิดถ้าอา่านถ้ามองมาหาตัวเองแต่จะมองนอกไปเท่านั้นเองถ้ามองนอกไปแล้วมันไม่เห็นให้มองเข้ามาที่นี่พูดปดคือใครพูดกกหกคือใครพูดคาหยาบโรนคือใครพูดส่อเสียดหรือพูดเพอ้อเจอ้อคือใครคิดจะโลภเรื่ได้ของคนอื่นคือใครคิดพยาบาทคนอื่นคือใคร มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากคลองศาสนาทั้งดีทั้งชั่วท่านว่าดีก็ไม่ว่าดีท่านว่าเป็นบาปก็ไม่เป็นบาป ค, คือใครใจมันมืดมันไม่เห็นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเดียวเท่านั้นเป็นไปหมดเมื่อสรุปแล้วใจอย่างเดียวเสียเป็นเป็นไปหมดถ้าใจมันไม่เอาไหนเสียอย่างมันเป็นไปหมด น, นั่นแหละพวกเรารักษานักษาศีลก็คือรักษาใจใจเป็นประธาน นี้วันนี้พูดถึงเรื่องอักุศลกรรมบทสิบให้พวกเราได้พิจารณาตัวของเราแต่ละคนที่มารักษาศีลรักษากายรักษาวาจากายกรรมสามมโนกรรมสี่กายกรรมสามบัญกรรมสี่มโนกรรมสามเป็นสิบที่ฉนพูดแยกออกไปเฉยเมื่อสรุปแล้วอยู่ที่ใจกายจะไปฆ่าสัตว์ใจไม่เป็นธรรมจึงฆ่าได้ฆ่าได้ทั้งวันทั้งวันฆ่ายังไม่เบื่อ ยังไม่มีเมตตาสงสารเพราะจิตมันไม่เป็นธรรมมันจึงไม่มีศีลท่านว่าใจเป็นประธานนะความรับผิดชอบก็ใจสังขาก็คือใจกายก็เป็นบริวารเท่านั้นท่านจึงว่า จ, จัดเป็นฝ่ายกายเสติออกมาทางวาจาท่านก็จัดเป็นฝ่ายวาจาซะคิดขึ้นทางใจท่านก็จัดขึ้นใช่เสี้ยสามเสีย้ยหนึ่งนี่คือทั้งคิ ด, คดพูดออกมาทางวาจาท่านก็จัดเสี้เป็นสี่ ถ้าพูดออกม า, าแสดงทางกายที่ไม่ดีท่านก็ออกเป็นสามนี่เรารักษาแค่นี้ถ้ารักษาได้อย่างนี้มีวันจิตใจก็จะได้เจริญและจิตใจจะได้ชุ่มเย็นจิตใจจะได้อบอุ่นเมื่อรักษาไม่ได้แล้วมันเป็นไฟใจก็จะได้เศร้าหมองเป็นทุกข์ท่านี้ว่าฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีการรักษาศีลก็หมายถึงรักษ า, าตัวของเราคําว่ารักษาศาสนาก็คือรักษาตัวของเราเพราะศาสนาลงอยู่ที่นี่ อยู่กับพวกเราทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านจะแส ด, แดงถึงเรื่องกายออกจากกายนี้เองออกจากกิจนี้เองท่านทำแปดหมืนสี่พระธรรมขันธ์เมื่อรวมลงแล้วอยู่ที่กายที่กิจหากว่าผู้ฉลาดท่านก็แสดงออกไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเลยแสดงมากมายกายกองนับไม่ถ้วนท่านจึงสรุปเมื่อพิสดารแล้วก็สรุปลงมาให้ให้ในข้อความอย่างยก ทำของคารวาสเองท่านาก็แสดงถึงทำของคารวาสจะทำเสียห ล, ลังจากนั้นแล้วก็ยกเป็นศินห้าขึ้นมาแต่จากนั้นแล้วมัยกเป็นสินพรหมจรรย์คือศินอุโบสถหรือสินแปดดังพวกเรามารักรักษากันอยู่เวลานี้แต่อย่าลืมนะมองไปที่ไหนมันไม่เห็นต้องมองเข้ามาที่ตัวตัวเองจึงจะเห็นสินเห็นธรมวันหนึ่งวันหนึ่งปล่อยไปใจลอยไปหมดเลยเอาไหนไม่ได้เพราะใจนั้นเหมือนลูกปม พอถูกลมก็ปลิวไปตลอดเวลานั่นแหละใจไม่มีหลักท่านจึงให้เอาศีลเอาธรรมเข้าไปเป็นยึดเป็นหลักท่างจึงพระพยายามพระหนึ่งยากอันไหนก็ไม่เท่ากับคลองศีลของธรรมท่านจึงพูดเป็นคําสันไว้ที่เต็จคุณบริท่านพูดยากอะไรก็ยากทั้งหมดไม่ไม่ยากเท่ารักษาศีลรักษาธรรมรักษาตัวของเรานี้แหละไม่ให้เป็นคนชั่วพูดง่ า, งตายต่่เเราานนนนชออปปยััวววงถื้็ะโ์ สิ่งที่ทําชั่วชา้าเราบอกว่าเป็นประโยชน์มันเป็นโทษท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านผู้ผมีญาณเชี่ยงรู้แล้วท่านกั่นออกมาแล้วนี่มาสอนบรรดาสัตว์โลกให้เดินตามนี่ไปนะตแต่สินห้าสินแปดนี่คือกรรมบวชสิบเป็นนีอกุศลกรรมบวชสิบอกุศลกรรมบวชสิบเป็นนี้น ท, 10, าท 10, ่านว่าให้พวกเรารักษาเอาให้รักษาตัวเองนะสินแล้วก็เอาสินทำที่ผูธเทใจท่านตรัสนั้นแล้วมาหล่อเลี้ยงหัวใจของเราทุกวันทุกวันเพียรทิน ท่านยังบอกว่าวิเลเยนะทุกขามัจเจติคนจะล่วงทุกความยากลําบากทุกสิ่งทุกอย่างออกไปได้เพราะความเพียรเพียนทิน้งเพียนแล้วคิดสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์คิดหน้าคิดหลังมองข้างหน้ามองข้างหลังมองในปัจจุบันที่จริงมันออกไปจะไปปัจจุบันนี้จิตมันอยู่ในปัจจุบันนี้มันคิดไปทั้งหน้าก็าคือออกจากปัจจุบันนี้ถ้ามองออกไปอนาคตมันก็ผิดถ้ามองไปอดีตมันก็ผิดมองในปัจจุบันนี้ ท่านจึงว่าจยาจะเห็นทำอยากจะรู้ทำต้องให้ดูในปัจจุบันนี้ดูใจในปัจจุบันนั้นนให้มีสติแต่มันแล้วท่านก็สอนให้เอาทำมาหล่อหรี้ยังพุทโทธรมโมสังโขเรามาวัดมาดัดหกพยายามนั่งก็ให้อยู่กับธรรมได้สิบห้านาทีก็ยังดีอย่าไปคิดไปเรื่องอื่นคิดมาพอแล้วมันทําให้เราเหล้ยวไหลเหลีวแหละหลอกลวงต้ม ต, ตุนตัวเองก็คือเจตสิกเราเชื่อตัวนั้นว่าเป็นเราที่จริงวันนั้น เป็นตัวปลอมเป็นจอมปลอมที่หลอกลวงเราต้มตุ้นเราให้เราเดือดร้อนวุ่นวายคิดสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็วิ่งไปส่วนมากไปในทางต่ําคือทางที่ไม่ดีเราหนงเพลินไปเัียหมดเสียจึงเป็นเหตุให้เสียผู้เสียคนจึงเป็ดเหตุให้จนมุมไปเสียหมดผลสุด ท, ท้ายก็เสียเปียกที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทั้งที่พบพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาที่เยี่ยมยอดซึ่งนะักปราชญ์ทั้งหลายท่านดําเนินมาพวกเราก็ปล่อยตัวเองเสียไม่เดินตามทางนักปราชญ์เราจะหาความสุขมาจากที่ไหน วันนี้พูดเรื่องอกุศนละมูลแล้วให้พวกเราทั้งหลายนำไปคิดไปอ่านแล้วไปดัดแปลงแก้ไขตนเองก็ไม่ต้องแสดงอะไรมากมายล่ะเป็นแค่นี้ก็พออะไรนะพออวัง